อนาปฏิวนันภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ1177 1พนึงิภิกษุณีเวระยะ1ปีบวชให้สิกขาม า, ารูปเดียวสองภิกษุณีวิกลจริตสามภิกษุณีต้นบัญญัติสิกขาบททีญญ่13จบกุมารีภูตวักที่8จบ